ย่งแต่ในขณะนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นธรรมนั้นมันไม่ใช่เป็นของเก่าของแก่ของโบราณโบราณอะไรกันแต่มันก็เป็นของเก่าเป็นของแก่เป็นของโบราณโบราณกันทำไมพูดอย่างนั้น ไม่เป็นของเก่าและกลับเป็นของเก่าก็โทษอย่างนั้นแหละสิเพราะธรรมะนั้นมันคือตัวคนนั่นเองกําลังทากําลังพูดกา ล, ลังคิดนั่นแหละคือธรรมะทาดีพูดดีคิดดีคือธรรมะถ้าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็น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 เกลีชอบเหมือนกันคนไทยก็มีโกรธมีเกลียดชอบเหมือนกันคนจีนก็ยังมีโกรธมีเกลียดมีชอบเหมือนกันใครบอกคน เจ้าท่านสอนเรื่องปัจจุบันแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจว่าโกรธเกลียดมันเป็นทุกข์เมื่อโกรธให้คนนั้นคนนี้มาก็พูดไปอย่างดังๆแรงๆเนี่ยไปด้วยทุกข์อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ทำอะไรทำกับทุกข์ทำนั้นเอาทุกข์เป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือน เลยไม่มีความสุขคนเราดังนั้นพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้กำหนดจำกัดลงไปว่าคนนั้นคนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือเข้าวัดไม่เข้าวัดใครๆก็ตามถ้าหากว่าเราพยายามดูการเคลื่อนการไหว รู้ควมคิดของเรามันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสมันได้แต่วว่าอารมณ์รู้เท่าทันเหตุการณ์รู้เท่าทันอารมณ์เดียว่าไม่ให้มันมีการขัดแย้งกับใครเมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจเราแล้ ว, ลวคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวย รวยคนนั้นไม่รวยคนนั้นจนคนนั้นไม่จนมันมีการขัดแย้งขึ้นภายใ น, ยในใจิตใจมันไม่ได้มีการขัดแย้งกับรูปกายภายนอกใช้เจ็บหัวปวดท้องก็เช่นเดียวกันจิตใจมันเป็นคนรู้ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจใจเองมันเป็นคนพูดใจเองมันเป็นคนรู้ ปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติลงไปที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์จริงจะเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการคาดคิดเอาพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วหลายวิธีเร่อนกับครูกับอาจารย์มาก็เป็นจำนวนมากธรรมะจริงๆนันคือตัวปกตินั่นเอง ปกติกายปกติวาจาปกติใจนั่นแหละคือธรรมะถ้าผิดปกติกายผิดปกติวาจาผิดปกติใจก็แสดงว่าเป็นอธรรมแต่เป็นธรรมะ ยี่สิบปีท่านก็เป็นอุปชาให้มาบวชครั้นี้เป็นหลวงตาครั้งนี้นนก็ท่านก็เป็นอุปัชาให้ท่านสอนท่านเล่าให้ฟังว่าในประเทศอินเดียนั้นมีร้อยแปดละทิร้อยแปดยิ่งกายร้อยเจดอาจารย์ใครชอบอาจารย์ไหนละที่ใดก็ไปหาอาจารย์นั้นละที่นั้นท่านว่าอย่างนะั้น ตะที่ต่างๆนั้นสอนกันนอนเสื้อนอนน้ำก็มีไม่ดงเสื้อไม่ดูผ้าก็มีกินข้าวเรียเอาเหมือนสุนัข ก, ก็มียินน้ำฮ้อนนอนย่างไฟนอนเสื้อนอนน้ำอะไรมากมายหลายเรื่องเราเคยได้ยินว่าสีผมสีเปื้ออะไรก็มีในประเทศอินเดียเป็นอย่างนั้นดังนั้นในเมืองไทยของเราก็เช่นเดียวกัน การสอนนันแนละแล้วจะใครจะสอนเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาสามารถที่จะเอามาใช้ได้กับชีวิตของเราถ้าพระเจ้าของเราเนี่ยเดินเข้าไปศึกษาเราเรียนกับอาจารย์ต่งางๆเข้าสารออกสารได้แต่มันก็ยังมีโกรเกียด มีดีใจมีเสียใจมีอะไรอาวรณ์คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนี่ยนั่นหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสองนว่าเรื่องอดีตอนาคตนั้นอยา่าไปสนใจมันเราต้องพยายามให้จับความรู้สึกการเคลื่อนการไหวของลูกกายภายนอกแล้ว ก็ให้มีความรู้สึกความนึกความคิดมันคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไม่ใส่รู้เข้าปริภาควิจารณ์ไม่ใส่รู้อย่างนั้นรู้แล้วเหมือนตัดกระแสันคิดพกเราไม่ต้องติดกับความคิดทำเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนู เราไม่สามารถที่จะไล่หนูได้เอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวมันตัวเล็กนูตัวโตวแมวมันไม่เคยกลัวหนูตั้งแต่โตจะเล็กมันไม่ว่าอพอดีหนูออกมาแมวมันจะคุกพอนูตัวโตวมันตกใจมันไม่เคยเห็นแมวจับหนูวิ่งไปแมวมันไม่ยอมวางหนู ลูกบไปได้แต่เราจะไปโทษแม ว, ว่าทําไมมึงจับหนูไม่แรงจับหนูไม่ได้จะไปโทษจังนะเพียงเราเอาอาหารให้แมวกินทุกวันทุกวันแมวมันกินอาหารทุกวันทุกวันแล้วมันโตเร็วเมื่อมันโตมาเร็วเรวมาแล้วถึงขนาดมันแล้วหนูตัวโตขนาดไหนก็ ใหญ่โตก็ตามแม่มันต้องจัดทางนัง้นพอดีแม่ไมน สำหรับคนผู้ที่รู้ธรรมนั้นมันอิดใจเดียวเท่านั้นเองดังนั้นคนคิดนี่พอดีมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็ครุงเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นสังขารเป็นอารมณ์ไปนั่นแหละเท่านวัวัตฏะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนผู้ที่ไม่รู้เราเนึกว่าตายสาตมนี้ไปเกิดสาต ไ า, า้จากนั้นไตเกิดแตนั้นเนี่ยอันนี้แหละมันเป็นการเข้าใจไม่ตรงแต่ความเห็นของคนมันคนละเรื่องระดับสติปัญญาม่เหมือนกันพวกเรามีการศึกษามีการเล่าเรียนเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษานักเรียนป .1 ถึงป .6 เรียนจาก บ้หลวงพอ่อเลว่าแลนไปแลนจะหาพระพเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยเดินไปเดินไปองคุณิมานวิ่งไปพอเวิ่งเนื่อยแล้วก็ถามสมณะโคดมไม่กลัวตายจะวิ่งไปทำไมจะเดินไปทำไมพูดนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่็เลยเราไม่ได้วิ่งเราไม่ไดเดิน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 องคุริมาลก็เลยเกิดได้ขมคิดขึ้นมาเอาวนี่เราทําชั่วแล้วนี่เราพูดชั่วแล้วนี่เราคิดชั่วแล้วนี่ฆ่าคนองคุริมาลก็เลหยุดข่มคิดไดเนี่อันนี้เลยที่ว่าหยุดขมคิดหายได้ถ้าหยุดค่คิดไม่ได้เขาเรียกวัดตะสงสารมยืนยาวนานสําหรับคนคู้ที่ไม่รู้ธรรมวัดต สำหรับบุคคลผู้ที่รู้ทำแป๊บเดียวเท่านั้นเองหยุดได้อันนี้แสดงว่าการฟังทำมานั้นฟังแล้วจะเสื้อทันทีไม่ได้ฟังแล้วไม่เสื้อถือก็ไม่ได้มันมีตัวอย่างฟังแล้วไม่เชื่อก็อย่างอุปการศีว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 จะรู้ได้ยังไงเขาใจอย่างนั้นใครจะรู้แทนเราไม่ได้ยังญาติโยมหรือเพื่อนพิสูจน์สมเองพระสงฆ์องเจ้าฟังผมพูดอยู่เดียวนี้เร็วฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะ น, นี้ท่านดูคนาคิดของท่านหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นคนาคิดของท่านหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้คนาคิดของหลวงพ่อคนอื่นจะเห็นจะรู้ดี เนือตัวเองรู้ตัวเองไม่ได้ดังนั้นคนบูราณท่านจึงสอนตำหนิแพลที่ลีล้ลัอยู่ที่ไหนก็ตามคนอื่นจะรู้ดีกว่าตัวเราไม่ได้ตัวเราเองรู้ดีกว่าคนอื่นทางนั้นในขั้นตอนอย่างนั้นดังนั้นการปฏิบัติทำมากก่ตัวเราเองเป็นคนรู้ตัวเราเองเป็นคนเห็น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 มันเกิดการขัดแย้งอยู่ภายในใจิตใจเราเองไม่รู้ว่าใครเป็นรู้ไม่รู้ว่าใครเป็นผิดคูทําผิดลูกสิด ท, ทาผิดผูทําถูกลูกสิท์ทาถูกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีนการขัดแย้งยในตัวมันเองอันนั้นแหละทันวัดคุกดังนั้นคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องปฏิบัติธรร ม, มเพื่อให้เขา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 แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้การขัดแย้งของตัวเองไม่ได้มันก็มีปัญหามันก็มีการขัดแย้งขึ้นภายในสังคมเมื่อมีปัญหามีการขัดแย้งเกิดขึ้นภายในสังคมล น, นั่นแหละทําให้ปัญหาเกิดขึ้นให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสับสนวุ่นวายเราไม่เคยดูจิตดูใจไม่เคยดูความนึกควมคิดของเรา นว่าวัตตะสงสารยืนยาวนานสำหรับคนผู้ที่ไม่รู้ธรรมคนที่รู้ธรรม ก็ได้ไม่ขวัดก็ได้อย่บวชเป็นภาพเป็นเงิก็ได้ไม่ต้องบวชเป็นภาพเป็นเงิก็ได้จะรับสินก็ได้ไม่รับสินก็ได้มันจริงวัดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะ ของพระพุทธเจ้าแต่จิตใจอ น, นันมันก็มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนคนที่ไม่รู้ให้เขารู้สอนคนที่มีทุกข์ให้เขาไม่มีทุกข์สอนคนที่ยังโง่ไว้ายาังไงก็ได้ให้เขาสลาดขึ้นมาไม่ใช่จะไปสอนคนที่ยังโงให้มันโง่ดักดานลงไปไม่ใช่ว่าสอนคนที่มีทุกข์ ให้เขาทุกลงไปไม่ใช่จะสอน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 ไม่เข้าใจค่มคิดของตัวเองนั่นก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากศาสนาในทางตรงกันข้ามถ้าคนใดไม่เขาวันไม่หลักสาสนาไม่จินเจไม่อะไรก็ตามแต่รู้คคผ่มคิดเข้าใจข่มคิดยึดข่คิดได้เห็นรู้เข้าใจจิตใจมันว่างว่างไม่ใช่จิตใจเศร้าหมอง ไม่ใช่จิตใจขุ่นงัวไม่ใช่จิตใจสกุบปกอันนั้นมันผิดปกติไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าทา่านจึงสอนให้คนรู้จักปกติเมื่อรู้เห็นปกติแล้วเข้าใจปกติแล้วนั่นแหละคนมีสิลงสิ่งจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยากสมาธิจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอยา่างกางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างยากคืออะไร การภาษาที่บ้านของคือโทสะโมหะโลภะนิอมกิเลสอย่างยัง่งยืนขั้นต่อไปก็คือกิเลสตัณหาอุปทานนี่เท่านั้นเองเมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยเบาบางลงไปกิเลสตัณหาอุปทานลดน้อยเบาบางลงไปสิลก็มีแล้วปรากฏขึ้นมาเองเพราะ ที่เลนเหล่านี้ลดน้อยหอยไปหรือบอบบางไปแล้วสิ้นเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นมาดังนั้นสิ้นสิ้นนั่นเรียกว่าปกติเราควรศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้คําว่าปกตินี่เองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันมีอยู่แล้วเรียกว่าปกติกายปกติวหวยาปกติใจตัวปกตินั่นแหละคือไม่ต้องทําอะไรกับมัน